ฟังทากันก็เป็นผู้พูดท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังฟังแล้วเอาไปทาอย่าจำเอาคำพูดเพื่อเอาไปขบไปคิดม่ใช้พูดให้คิดพูด ใ, ใรจะทาดูนี <c oughs> ่คือภาคปฏิบัติเราสอนกันเรื่อง การเจริญสติพรบอกว่าให้รู้สึกตัวก็ไปทำความรู้สึกตัวดูดูกา ย, า ก, ก, ายา ก, กายที่จะเห็นมันได้ก็ต้องเอตนาเคลื่อนไหวให้รู้สึกความรู้สึกตัวสติปัฏฐานนั่นไม่ใช่ไม่ใช่สติธรรมดาสติธรรมดาเนี่ยกครก็มีได้โจรผู้ไร้ก็มีได้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 สร <c oughs> ้างสตีย่างเดียวมันมีระเบียบมีระเบียบไปทั่วอจะเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวเนี่ยโดยเฉพาะมันจัดสันกายใจจัดสันทุกอย่างสำมรวมอินทรีย์ลงไปในตัวเสร็จตาหูจมูกกลิ่นกายใจโลกรสกลิ่นเสียงอารมณ์ต่างๆมันจะจัดสันเป็น การสรมรรถเอนทรีเกิดปริสุทธิ์ที่ศีลเป็นศีลที่บริสุทธิ์สรมรรถเอนทรีตาหูจมูกเล่นกายใจอํารวมไปอีกไห้ยินดียินไล่ในวัยเห็นรู ป, ปรอ้องเสียงดมกลิ่นริมล็อตชาเคยดรุโยกประกอบความเพียรไม่เห็นแจกเล่นแจกนอนมากนักวันนไปอย่างนั้นความรู้สึกตัวมันขยันไปเลย มันสำงรวมไปเลยอินทรีย์ทั้งหมดอยู่ในกมอนี่คือจิติปัฐานทำดูก็ไ ด, ไไได้ไปต้องไปนั่งหลับตาก็ได้ไปต้อไไไไงไปนี้ไปไหนก็ได้ชนมันเลยอยู่ที่ไหนรู้สึกได้รู้สึกตายรู้สึกได้ที่ทำงานทำการที่ไปไหนก็ได้ความรู้สึกตัวถ้าเราสร้างให้มี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 ความคิดเมื่อได้ความคิดเกิดคำถามจะไปอยู่ตรงนั้นเอาการกระทําให้มีการกระทําเอาความ ร, รู้สึกตัวปลุกเบิกไปเอาการกระทําลุกเบิกไปปลุกเบิกไปเลยถากมันไปเลยมันจะเป็นโลกเป็นร่างกองเมื่อเราถากช่างถากก็ย่อมถากช่างดัดโลกศรก็ดัดตะเพื่อ มันดิตก็ต้องฝึกตนตะพืดตะเพอไปลูกกายไปเรื่อยๆลูกกายนสติปตัตยังไว้ตั้งไว้นานๆมันจะผ่านมานี่ทั้งหมดนั่นแหละถ้าเรามีทีิตั้งมันก็ผ่านมามืนกับดึงผ่านมาเหมือนกับเอชีวิตของเรามันมาเข้าแถวให้ดูจุดรวมหรือว่าตลาดนัดของชีวิตก็ว่าแหละ อะไรมันอยู่ตรงนี้แหละแต่เราดูกายเดี๋ยวใจมันก็จะเห็นนองแหละเทนามนก็จะเห็นความคิดก็จะเห็นอารมณ์ก็จะเห็นเห็นหมดแปด0มืนสี่พันเรื่องเข้าแถวเข้าแถวมาให้เราดูเลยเหมือนกับตลาดนัดของวัตถุสิ่งของไปที่แห่งเดียวซื้อได้ทั้งหมดการเจริญสติก็เหมือนกัน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 ตกใจแค่มันหลงคิดไปแม้วความหลงก็อาุภาะแล้วน่าเกลียดสกโปกยิ่งคิดไปก็สกปกความรู้ในบริสุทธิ์เนี่ยเพรนั้นเราในความสาดในความบริสุทธิ์ความรู้สึกตัวเนี่ยกระาใดที่มันหลงหน่อยมันสกโปกมันเปิดเพืเ่อนอมันเปิดเพืเ่อน เ, เราก็ขยักขแยงเราก็เลยไม่กล้าเนี่ย ความรู้สึกตัวเนี่ยมันสมมูร์แบบไม่ใช่ว่าอ้าวผู้ใดมีลาค่าจลิตต้องเพ่งอสุภะกรรมาฐานผู้ใดมีโทสัจริตต้องแผ่เมตตาผู้ใดมีโมหจะจลิตต้องเจริญสติปัฏฐานอนั่นก็ถูกแบบนั่นแต่ว่าถ้าเจริญสติอย่างเดียวเนี่ยจลิตทั้งหลายลาบคาบไปเลย ลาบคาบไปเลยจเวลาฆาจลิศเป็นโทษาจริตเป็นโมหาจลิตก็ลาบค า, า, า, า, าบไปเลยมากันเป็นพวงเลยเลือกตั้งออะไรเลือกตั้งผู้แทนแบบอะไรแบบอะไร <c oughs> ไล่มาเป็นพวงเลือกบุคคลเลือกพรรคไล่มาเป็นพวงเลือกพรรคอย่างเดียวมาเป็นพวง อะไก็เหมือนกันมีสติอย่างเดียวมาเป็นพวงสินก็มาสมาธิก็มาปัญญาก็มาวิมุตติความหลุดพ้นก็มารูปคำอยู่ในองค์มรกุดูอยู่ดูอยู่เห็นอยู่เนี่ยมรดคือดูเนี่ยจะไปไหนคนที่ดูอยู่เนี่ยอะไรไมันจะเกิดขึ้นดูอยู่นี่แหละหลังเขายกศาลาหลังหน้าใหญ่ราชารรมบั่ย แล้วก็บอกดูหรือเปล่าดูหรือเปล่าดูอยู่นี่แหละดูอยู่นี้แหลมันจะไปไหนเราดูอยู่ความหนักความยิ่งใหญ่มันหนักขึ้นคนดูก็ดูเอ้าขึ้นขึ้นขอขึ้นเลยแบบเอ้าพ่อพอเราดูอยู่เราดูอยู่แํามัเนเกินมันก็ไม่ให้เกินมันต่าก็ยังเอาอยู่ต้องทําเอ้าขึ้นีกขึ้นอีกพอมั น, น, น, นได้แบบครับเอ้าพอพอพอดูอยู่ไหมเ่าอยู่ดูไหมดูอยู่ไหม เรียกกันดูอยู่นี่แหละดูอยู่นี่แหละเออเบาใจถ้าถ้ามีผู้ดูอยู่คนที่ทำงานก็ทำแต่เพื่อเพือไปอ อ, อะไรมมนจะเกิดขึ้นที่กายที่ใจอะไรมมนจะเกิดขึ้นที่ตาที่หงดูอยู่นี่แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นเราดูอยู่คุมหัวมันอยู่เรามีเชยโฟมที่ดูของชีวิต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 นั่นแม้ว่าจะใหญ่ก็ตามถ้าต้องโดเนี่ยเพราะว่าที่โดเนี่ยชั่งเชิงดีใหญ่เนี่ยใหญ่ด้วยความเป็นธรรมแม่ความคิดเกิดขึ้นตรวจสอบตาเห็นโลกตรวจสอบหูได้ยินเสียงตรวจสอบเนี่ยการสร้างสติเนี่ยยิ่งใหญ่มาก สู่ธรรมชาติอะไรฝืนไปไมได้แต่พยายามสร้างตัวนี้มีขึ้นมามันจะเป็นอำลอดมันจะเด่นเห็นล่ให้มีความรู้สึกตัวอยากฟังเสียงอะไรกลมหน้ากลมตาสร้างได้กันละดูมันเห็นเนี่ยก็เห็นเห็นไปดูไปเห็นไปเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวเห็นใจที่มันคิด เห็นเวทนาที่มันเกิดขึ้นอย่าให้มันไปกับความคิดอย่าให้ไปกับเวทนาอย่าให้ไปกับอารมณ์ตั้งหลักไว้ในหลักกลรรมมหาฐานในฐานเป็นที่ตั้งเป็นกองทัพตั้งให้มั่นไว้ตรงนี้เรียว่าฐานที่ตั้งเนาะกรรมฐานเนี่ยเมื่อเราตั้งไว้มันก็ต้องยึดได้ยึดพื้นที่ได้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 นิมิต ท, ทางกายนิมิต ท, ทางกิจใจอันนั้นเป็นนิมิต ท, ที่มันหลอกนิมิตจริงๆก็คือมีสติเห็นกายเนี่ย อ, อันนี้เรกว่านิมิตนิมิต ท, ที่ตั้งพยายามตั้งไว ให้มันเด่นเห็นชัดชัดอเห็นชัดเจนเราก็ความเห็นมันจะบอกมันเกิดญาณเกิดปัญญาทะลุทะลวงน่้เช่นเราเห็นกายเนี่ยเห็นว่าจะอเอะกันแล้วก็หลบๆลบลีเลอยู่หลบๆลลีกๆอ ย, ๆๆอยู่ถ้าเห็นจนเราจับได้ไล่ทัน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 เห็นกายเห็นเป็นรูปมันเป็นรูปจริงจริงเห็นจิตเห็นใจเห็นความคิดมันเป็นนามเห็นเวทนามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรูป ก, กับนามมันก็คือเวทนามันไม่ใหญ่มันไม่ใหญ่มันไม่มีอำนาจอะไรเมื่อวานในรับจดหมายมีสำนักกรรมฐานสอนเรื่อง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 นั่งให้ได้สามสี่ชั่วโมงถ้าเวทนาทางกิจต้องนั่งให้ได้ห้าหกชั่วโมงจึงจกชนะเวทนากายจึงจะไปชนะเวทนากิจเวทนาอันนี้เวทนาที่มันเกิดขึ้นทางกายนี่เอาชนะมันก็ไม่เป็นประโยชน์เพราะมันมีอยู่มันมีอยู่ <c oughs> เวทนาอันนี้ไปใช่ไปขม่มไปกด ชนะเท่าไหร่มันก็เกิดอยู่เท่านั้น่ะตราบใดที่มันมีลูกตราบใดที่มันมีนามมันก็ต้องมีเวทนาเอาชนะตัวนี้เอาชนะเวทนาที่มันเกิดขึ้นเลยมันไม่จริงหรอกชนะแบบไหนชนะแบบกดทับชนะแบบรูท้ทันเลขีหน้ามันเลยเวทนาก็คือเวทนาไม่ใช่สั ต, ตว์ปุกลตนหรอกหอกแต่ชนะแบบเพ่งแย่ง มันจึงจะถูกต้องถ้าชนะแบบบังคับขับใสจนดือ้อจนด้านไปจนชาไปเลย น, นั้นก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่จริงมันก็ยังจะมีอีกเอาชนะแบบนั้นอีกมันไม่ใช่เอาชนะแบบนั้นตั้งสองชั่วโมงเลยสี่ชั่วโมงรลอไม่ถึงสองชั่วโมงเพี้ตาเดียวพอมันเกิดขึ้นก็รู้แล้วพอรู้มันก็ถือว่าชนะแหละเห็นนะ่ะ เออเวทนารู้แล้วชนะแล้วเที่ยววินาทีเดียวชนะแหละความคิดเกิดขึ้นก็เห็นแลยเวทนาใดที่มันเกิดปัจจิกเป็นอารมณ์เป็นความโกรธเป็นความรักความช่างความสุขความทุกข์รู้แล้ววินาทีเดียวเชี่ยววินาที <c oughs> ไม่ใช่สี่ชั่วโมงนี่เป็นเวทนาในเวทนาเราเห็นนี่ย ภาวะที่เห็นเนี่ยยอ่อย่อเวลาไปใช่สี่ชั่วโมงไม่ใช่แปดชัช่วโมงเป็นกันย่อให้สั้นเข้ามาเส้นทางมันยาวย่อให้สัน้นมีเหมือนกันในพระสูตรพระเจ้าเป็นคนพูดที่ยอ่ออทางให้สั้นเข้ามาทางโยดหนึ่งย่อสันส้นๆเดินแป๊บเดียวถึง อันนั้นก็เป็นปุกคลาธิสสถานแต่ถ้าเป็นธรรมอาธิสถานเนี่ยก็คือปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าพูดถึงกิเลสก็พันห้าโอ้หลายมากทันหาก็ร้อยแปกแปดมืนสี่พันเรื่องในชีวิตเราเป็นพระสูตรพระวิธรรมพระวินยถ้าเป็นหนังสือก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็ แปดสิบเล่มถ้าเป็นภาษาบาลีก็สี่้าเล่มแต่ละเล่มหนาสองเนิวน่วสามเนี่ยก็มีท่องเรียนให้หมดเลียนให้ครบอันนั้นก็เป็นใหญ่มากแต่ถ้าเรามาดูเข้าจริงริงเนี่ยแอดหมื่นสี่พันเรื่องคือเกิดคือกายคือใจทั้งหลายกายนี่แหละเป็นตําลาใจนี่แหละเป็นตําลา พสูตรเรื่องของตาเรื่องของหูเรื่องของอินทรีย์เรื่องของรูปของรสของกลิ่นของเสียงเรื่องของปัฏฐาอารมณ์ต่างๆเป็นพสูตรพสูตรเป็นทางอกุศลเกิดความหลงความโลภความโกรธความรักความชังความสุขความทุกข์เพราะสิ่งนี้มีถิงนี่จึงมีสิ่งนี้ไมีสิ่งนี้ก็ไม่ไปเลย ที่นี่ไม่มีที่นี่ก็ไม่มีไปเลยๆเป็นสูตรของเขาแต่ละสูตรเนี่ยยาวบ้างเช่นอกุศลณนี่ยเพราะอวิชาถ้ามาเกิดสังขารสังขารเกิดนามลูกนามลูกเกิดอายตันนะอายจันนะเกิดผัสสะกัผัสสะเกิดเวทนาเวทนาเกิดตัณหาตัณหาเกิดอุปทานเกิดอุปทานเกิดทบเกิดชาติเกิดชรามันแล้ว่ะโสมกะปริเทวะทุก ตายไปอันนี้ถ้าไล่ไปมันก็ยาวแต่ถ้าเรามาดูจริงๆมันยอ่อพอหลงปั๊บเนี่ยมันไปแล้วตายแล้วเกิดแล้วพอลู้ปับ๊บมันดับแล้วมันดับแล้วดับความเกิดคุมความเกิดคุมกำเนิดของความเกิดคุมกำเนิดของสังขารเนี่ยมันเกิดดับอย่างความโกรธอย่างเนี้ย ก่าที่ไปถึงความโกมออรธมันเกิดอะไรก่อนที่เพิ่งถึงความรักคําชังมันเกิดอะมันเกิดมันเกิดตับเกิดจริงไหมวันนั้นมันเกิดกี่พกกี่ชาติแล้วดับได้ไหมหยุดเกิดได้ไหมไม่ต้องเป็นเั่งที่องคาโกรธเฮ อ, อ, อวีชาก็เกิดสังขารสังขารเกิดนําลูก อวิชชาคืออะไรคือความไม่รู้รู้เลยรูกผิดคือความหลงก็เลยไปถ้าเรามาดูอยู่มาดูอยู่เนี่ยมันยอ่อมันไม่ไปขนาดนั้นถ้าไปไล่ตำลามันไปไกลแต่เรามาดูค่อยๆภาคปฏิบัติจริงๆเราดูมันอยู่ผมชิดพับก็รู้ปับทันทีดับแบบไม่ต้องไล่อวิชชาคืออะไรคือความไม่รู้ความไม่รู้อะไรคือความหลงถ้ามีความรู้อยู่มันก็ไม่หลง เอาแช่เรี่อก็พอเนื่อย่อเวลาให้สั้นๆเอามาจับมาดูต่อหน้าต่อตาเราเลยไม่ต้องไปอ่านตำราเอามาดูให้ต่อหน้าต่อตาเราเโอ้มันหลงโอ้มันรูน้เอาไปเอามามีตัวลูกตัวหลงนะแม้มันเป็นลูกเป็นหนา ม, มันมีเวทนาจะไปสู้เวทนาเลย ถึงถ้าเราปฏิบัติไม่ได้สู้ถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเราทำผิดสู้สู้กับความโกรธสู้กับความทุกข์สู้กับความชิดไม่ได้สู้เลยไม่ได้สู้เลย <S 2> <S 2> <S 2> <S เพียงแต่ปืนน้หลายทาลังก่อู้ดันะเช่นความคิดเนี่ยมันกลัวความรู้สึกตัวเพียงแต่อืมเท่านั้นแหละมันวอดไปเลยละเหมือนเลยสีตาไฟ ไม่วาดไปเลยไม่มีซากศพเเป็นฤๅษีเป็นมุนีมุนีแต่ว่าผู้ลอยบาปฤๅษีแต่ว่าเผาไม่มันเป็นญาณนั่นเป็นชาญชานนี่คือเพ่งเผาไม่มีซากศพเลยชานมันมากชานมันแรงเพ่งเผาชานนี่ชาปนกิจอย่างพวกเราเคยถูกได้รับตาเชิญไปงานชาปนกิจ ชาภารกิจคือไปเผาใหมันร่างกายที่มันเน่าเหม็นให้มันวอดไปเหลือแต่ขี้เท่าชาที่เป็นความเพ่งเผาของความชั่วที่มันเกิดกับเราชานจริงๆคือความรูดสุดตัวเนี่ยยอดของชาหร่ะแต่รูดสุกตัวเนี่ยว้ายไม่ไมีฉากน่ะจะใหญ่ขนาดไหนกี่เ ล, 1, ล่พันห้ารูดสุดตัวงอดไปเลย อันหา 8, ลายแตกลวดไปเลยของโดส่กตัวถ้าเป็นมหาสติปัฏฐานไม่มีอะไรที่จะครอบงาได้ใหญ่เน่นเนี่ยคขาว่ามหาเนี่ยมันใหญ่ไม่มีอะไรจะเท่ามหามันใหญ่ยิ่งใหญ่เราจงมาสร้างตัวเนี่ยถูกแล้วอย่าลังเลสงสัยอย่าสับสน อย่าไปคำคำพิมตัวลงไปเลยไนความรู้สึกตัวตัดสินใจหายึดต่อความรู้สึกตัวอะไรก็ตามเข้าข้างความรู้สึกตัวเข้าข้างความรู้สึกตัวผู้ที่ยังไม่มีอารมณ์ก็ทาไปเพื่อต่อพื่อไปอย่าไปหาเมื่อพิผู้มีอารมณ์เราก็เอาอารมณ์เป็นตัวฉเฉลยเช่นเห็นลูกเห็นนาม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 ที่เป็นอาการอาการของน้านับไม่ไหวเพียงแต่เราขีดหน้ามันว่ามันคืออาการทอนนั้นมาก่อนเล็กน้อยแต่มันเราไปบอกว่าความโกรธหรือรปบอกว่าตันหานัทีตันหาสมานณทีแม่น้ําเสมอด้วยตันหาอมไนโอ้มันใหญ่กว่าแม่น้ํำนะมหาสมุทรนั่นเลยสมุทรทศพรลตีพระมตติโยใหญ่มากทีเดียว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 ไม่ใช่อำนาจแบบอืมสมมุติบัญญตัติเอมอบให้กันเป็นนายกธธัทมนตรีเป็นประธานาธิบดีอันนั้นเป็นอำนาจแบบสมมุติบัญญัติกฎหมายและธรรมนูญเป็นสมมุติบัญญตัติอำนาจที่เกิดจากปฏิบัตดีปฏิบัติตรงันเป็นผลมตจาัจักอันนี้มันปราบปราบพิเลตได้ปราบความ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 ปกครองตัวเองอยู่เย็นสงบไปเลยเี่ย <Yeah. S 1> เห็นก่อนที่ทำผิดมันผิดที่ตรงไหนผิดศีลมันผิดที่ตรงไหนผิดที่กายวาจายใจเราก็รู้การรักษากายวิจายใจให้ร้อยชื่อว่าศีลการรักษาใจใมันชื่อว่าสมาธิความรอบรู้ในกองสงขารชื่อว่าปัญญา กายแย่สังขารคิดต่อสังขารเรี่ยรอบโูกอยู่ตรงนี้เห็นอันอื่นเอาชนะอันอื่นเขาไม่เท่าเอาชนะตัวเองเปลี่ยนสังขารเปร็นวมสังขารเปลี่ยนได้สบายเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนได้สบายไม่ต้องไปด่ากันถ้าไะด่ากันเนี่ยโอ้ยมันสิ้นพลังงานกว่าจะเดินไปหากว่าจะไป ออกเสียงก่อนจะไปโอมันลําบากถัาเปลี่ยนน่มันง่ายเอเปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารสังขาราปรามาทุกข์ขสังขารมันเป็นทุกข์การปรุงปรุงแต่งแต่งวิสังขาร น, นิพพานปรมามังสุขขานิพพานเป็นสุขวิสังขารคือนิพพานสังขารคือทุกข์วิสังขารคือไม่ทุกข์มันก็เปลี่ยนเลย ไ, ไปตรงตกากันมันง่าย ความโกรธเป็นยากควเมไม่โกรธมันสะดวกเป็นธรรมความทุกข์หรือไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรมครบดูแล้วความหลงไม่เป็นธรรมเลยความไม่หลงเลยเป็นธรรมดูแล้วครบไปแล้วสร้างความไม่หลงมาแล้วสีส่ชาห์ห้วันแล้ว ส, สัมผัสดูแ ล, แล้วพอไปหลงพับต่างกันเอยต่างกันหลงอยู่ที่ไหนหลงอยู่ที่การกระทำ เราจึงมาตั้งไว้ตั้งไว้ที่กายพอรูจ้จับรูปรู้จับนา ม, มาร่ะลูกมันจะช่วยนามจะช่วยไปนี้ช่วยละ่ะมันจะบอก อ, อาการต่างๆคือเกิดขึ้นกับรูปกำนา ม, มันจะบอกฉัมนมี่ชาวนามไปเรื่อยๆเอ่อจนจบเป็นสูตรไปไปตามสูตรสูตรของรูปวนไล่ไปอเออธานา ที่เกิดกับลูกมีตามีหูมีวัตถุอาการวัตถุที่เกิดกับลูกมีวัตถุอาการอะไรตาก็เป็นวัตถุอันหนึง่งลูกก็เป็นวัตถุอันหนึง่งหูนนก็เป็นวัตถุอันหนึง่งเสียงก็เป็นวัตถุอันหนึ่งถ้าตาไม่มีตาเห็นอะไรไม่ได้ก็ไม่มีวัตถุบางคนตาบอดไม่มีวิญญาณทางตาถ้าหูหวูวก็เป็นไม่มีวิญญาณทางหู จมูกไม่มีกลิ่นก็ไม่มีวิญญาณทางจมูกลิ้นไม่มีรสก็ไม่มีวิญญาณทางลิ้นกายไม่มีการสัมผัสถูกต้องกายนั่นก็อันตรายกาดจะเป็นโรคมันเร็งได้มันด้านมีฟันก็ไม่เก็บไฟมาไหม้ไฟมาจุดก็ไม่เจ็บแั่นนี่มันสมมุนย่งกันมันเจ็บเนี่ยโอ้ยขอบคุณใช่ไหมคุณหอขอบคุณไว้ย่งกันเจ็บเนี่ย ขอบคุณกาลโอ้มันรู้จะเก็บเป็นสัญญาณของเขาเราโยงกันอ้ะเนี่ยโอ้ยมือไปเลยขอบคุณถ้าโยงกันไม่เจ็บเ่ยอะไรเกิดขึ้นจะไปทุกข์ทำไมแล้วเหยียบน้ํามันเจ็บเยลยร่มอืองไว้ถอดน้ำเอาอโอ้ขอบคุณขอบคุณลูกที่มันมีสัญญาณอันตรายแล้วเราเอามัเป็นทุกข์วันที่เราเอามัเป็นประโยชน์ความหิวขอบคุณเลยขอบคุณความหิว ถึงว่าหลงพ่อเป็นวัดเนี่ยธําท่าจะไม่ได้ขอบคุณมันโอ้มันสัญญาณมันบอกเนี่ยหลงค่อโมแล้วร่างกายร่อนๆอยู่พยาามนั่งเห็นไหมเห็นไหมโอขอบคุณร่างกายธํามท่าเป็นวัดเป็นไข้ขอบคุณใช่กายผิดไปใช่สั บ, ส, บส น, สนมันปรับตัวไม่ทันนั่นก็หาทางออก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 ทำครัวเอาไปปันดินเอาไปปันเหล็กไม่เป็นกระหมดคุณภาพเราใช่กิจเราใช่กายผิดประเภศเช่นใช่ให้มันทุกข์ใช่ให้โกรธใช่ให้รักใช่ให้ชังหมดสภาพเลยหลีไม่รีเป็นโรกปสาท ต, ต้องไปหายกิจแพทย์ใช่กายไม่เป็นไปจนเล่าเมายาไอติดของเสียติดเกิดวิกฤตทางกาย สามสอนเกิดอันตรายภาระหลวงพ่อว่ากานเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจนี่โอ้สุดยอดของการศึกษาเป็นมือกลุ่นของการศึกษาความลองตัวเองวัตถุอาการกายก็เป็นวัตถุมันก็เป็นอาการหลายอย่างอาการคือมันเกิดขึ้นอะตามก็เห็นลูกหูก็ได้ยินเสียง เท่านั้นไม่พอวัตถุอาการมันต่อไปอีกยินดียินไล่ไมันจะเป็นอย่างนะชอบไม่ชอบเกิดสมมติปัญญัติต่อไปอีกครับเมื่อเกิดสมมติปัญญัติเกิดความยึดโขกติดเมื่อเกิดความยึดเกิดอะไรไปเกิดขี้เหร่กันหาหเพ่งเลงเกิดความโลภความโกรธความหลงไปไกลจนฉลาโมลณะโสกปฏิเทวทุก ก่อนที่จะล่องให้มันไปจากไหนก่อนที่จะไปหัวเลาะหลงตัวลืมตนมันไปทางไหนแต่ถ้าเราอยู่ตรงไหนเราไม่เกิดเราไม่เกิดหยุดเกิดะจะว่าอย่างไงเกิดอะไรเกิดอะไรก็ได้ไม่เกิดอยู่ตะงไงอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรเหรออยู่กับหลวงพ่อไหม อ, อยู่ตน้นเลยหลวงพ่ออยู่ตรงไม่เปลี่ยนอะไร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 กูรอนกูหนาวกูหิวนี่แต่เห็นหมัน้ยเขาไม่เห็นหนึ่งคือศูนย์เห็นฟังเรื่องไหมโลกโลกศูนย์โลกศูนย์ชีวิตเหลือศูนย์ในในภาพอยู่ยังไงเป็นกิริยาใช่ชีวิตเป็นจิริยากินเป็นกิริยา ท่ายเป็นจิตวิญญานอนเป็นจิตวิญญพูดใ่้สมมติปัญญาใจสมมติปัญญาให้สําเร็จประโยชน์แต่ถ้าใจสมมติปัญญาให้เกิดเป็นทุกข์เป็นความรักความชังอยุต่อไม่ใช่ใจสมมติบัญญัตามที่โลกสมมุติตักวก็เป็นพระแตักวก็เป็นโยมอันนี้สมมติปัญญา ถ้าปรมาญารย์ไม่ใช่พระก็เป็นได้ทุกเพศแล้ ว, ว่าใส่เสือ้อสีขาวๆาวใส่กางเกงขายาวถ้าเป็นปรมาจารเป็นพระได้พระเคยชีวิตปไปเสด็จแม่เบียบเป็นตนไม่เบียดเรียนคนหนึ่งชีวิตไปเสด็จไปทางนี้นะเราทำอยู่นี่ไปทางนี้เข้าถึงธรรม เข้าถึงศินมีศินไม่ใช่ลู่ธรรมมีธรรมไม่ใช่ว่าศิ น, านาตาณาติปตามีศินเนี่ยมันเห็นเลยเนี่ยไม่เป็นสินยังไงศินก็คือเรี้อยล้อยอยู่เสมอจิตใจไม่โฟว์แฝกสมาธิคืออะไรก็คือมั่นคงเป็นที่เป็นทางปัญญาก็รอบลู่อยู่นี่แล้เกิดอะไรขึ้นกับเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นตัวรู่ตัวรู่ตัวลู่ลไป ไม่ได้งโง่ที่จะเป็นหลงไม่ได้โง่ที่จะไปโกรธไม่ได้งโง่ที่จะไปทุกข์เปลี่ยนมาเป็นตัวลูกมันสบายสบายเนี่ยนี่คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือคุณภาพของคีนิสต์เราเนียตัลูกตื่นเบิกบานพระธรรมก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาพระสงฆ์ก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติ ต้องปฏิบัติเอาเ ก, กี่ยกับทกปฏิบัติสมควรอยู่สมมตเสมออยู่เนี่ยเราทําอยู่นี่อยู่ในตระคูณของพรระตันตนาใจพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่กับชีวิตเราทั้งหมดธรรมก็คือศีลคือสมาธิคือปัญญาเรามีสติเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยเราวก็ไม่ได้ทําชั่วเลย เรามีความรู้สึกตัวแล้วก็ทำดีแล้วเนี่ยจะเอาอยัางไงเรามีความรู้สึกตัวจิตของเรา้ะไม่ได้โปรงโปรงแตกจิตของเราก็รักก็รักษากจิตไม่โดยเช่าหมองปานนั่นนะการจเจริญสติเป็นโอวาทปฏิโมกขุทธเจ้าสอนเจ้าทั้งหมดแปดหมืนสีพันเรื่องสพัพพวาปิชาอัตตะนัง กูสลัดสู้ประสมประธาสกิตตประโยชน์ทัพนังเอตังพุธานาซาสนังการไม่ทำบาปทางปวงการทำกุศลให้ถึงขอมการทำไรจิตของคนให้ขาวรอบสามอย่างนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านี้แล้วเราเจริญสติเนี่ก็เอ๊บเขา้าเข้ากุ๊บเลยเป็น เ, เกตเอ เกรดดีไปเลยเหมือนเราปูกกระเบืองสลาดเกรดเอนี่ยปั๊ทันทีเกรดดีนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันสีขาวๆไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่เกรดเอเนี่ยปั๊บทันทีเลยสีเทาๆเขาปัป๊บเลยเกรดดีสภาพปาประชารกานาันหนังสภาพปาปาาัสสาวกันหนังเรามีสติเนี่ยเราได้ไปทําช่วยไหม ไปรักขโมยใครไหมไปล่วงเกินของรักของชอบใจไหมคิดอะไรไหมลูกกลับมาอยู่เลยยังไม่ได้ทำเลยกลับมาแล้วความคิดไปก็กลับมาเรียแล้วอยู่นี่ด้วยกันหมดทุกคนเนี่ยไม่ได้ไปไหนทักคนเลยก็เลยหอบกระเป๋ากลับบ้านเลยนั่งอยู่เลยกลับมาลูๆๆๆๆๆๆ่อยนู่โยนเนี่ยัมเนี่ยให้ให้ถือว่าสบายใจเถอะคุณหมอ พยาบาลหรือญาติโยมทุกคนถูกต้องแล้วที่เราทำอย่าแนี้สบายใจได้เลยนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติจริงๆตัวปฏิบัติเข้าถึงศีลถึงธรรมจริงๆเข้าถึงศ า, าสนาศาสนาคือตัวรูปธรรมตัวนามธรรมารศาสนาจเจริญก็คือนี่แหละโดยชีวิตของเราไม่มีความชั่วไม่ทาไม่ได้ทาความชั่วไปใช่วัด เลื่อมระยับะสองมากมากนั่นเป็นอันหนึ่งอาสนะคือชีวิตเราไม่ทุกข์ไม่เบียดเตียนตนไม่เบียดเียนคนอื่นอาสนะเจริญวันนี้ก็โคตรให้ฟังแล้วไปทำไปทำดูอันนี้หลวงพ่อก็จะไปตมศักด์ใช่ว่าพอไปได้เนาะจะไปเดือนนี้เลยนี่ยี่สิ เราไปเชาอ่ะก ah. ับพระท้องกัน <laughs>